ตอนที่ห้าหลีชิงผิงทาตัวไม่รักดีห้องนี้หันไปทางทิศ ท, ที่รับแสงแดดแสงตะวันยามบ่ายสัดส่องเข้ามาอย่างพอดิบพอดีเห็นได้ชัดว่าเจิ้งหยุนชงใส่ใจจัดเตรียมให้เป็นอย่างดีฉันต้องไปรายงานตัวที่เขตทหารก่อนไว้ช่วงค่าจะมาหาพวกท่านใหม่เจิ้งหยุนชงพูดจบก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาเหลือบมองพลทหารคนสนิทที่อยู่ข้างกายน้ําเสียงเปลี่ยนเป็นราเรียบไร้ความอ่อนโยนเหมือนตอนที่คุยกับพวกหลี่วานในกระเป๋ามีเงินบ้างไหมพลทหารรีบหยิบเงินเพียงห้าหยวนในกระเป๋าออกมาทันที มีแค่เนี้อเจิ้งหยุนชงทำท่าทางเหมือนจะรังเกียจว่ามันน้อยไปแต่ก็เอาเถอะเงินนี้ท่านรับไว้ก่อนอยากกินอะไรก็ซื้ออาร่งอาหารของเขตทหารก็สะดวกมากไม่ไม่ต้องรอข้าฉันมีเงินอยู่ลี่ชิงพิงรู้สึกเกรงใจเกินกว่าจะรบกวนเจิ้งหยุนชงตอไปแค่ที่พักก็เกรงใจจะแย่แล้วจะให้รับเงินอีกได้อย่างไรรับไปเถอะเจิ้งหยุนชงยัดเงินใส่มือนางอย่างแข็งกร้าวฉันไปก่อนนะพวกท่านไม่ลูกพักผ่อนกันให้เต็มที่เถอะ หลังจากชายหนุ่มจับไปหลีชิงพิงก็เดินไปปิดประตูห้องหลีหวานล้มตัวลงนอนบนเตียงทันทีนอนราบแบบนี้สบายที่สุดจริงๆหลีชิงพิงนำสัมภาระในกระเป๋าออกมาจัดเก็บในตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็นั่งลงบนม้านั่งพางกว่าสายตามองไปรอบห้องนางดูเหมือนจะตกอยู่ในความสับสนเล็กน้อยหลีหวานพลิกตัวลุกขึ้นนั่งไม่คิดอะไรอยู่จ้ะแม่กำลังคิดว่าน้ำเสียงของหลีชิงพิงลังเลเล็กน้อยในเมือง น, นี้ดีจริงๆหลีหวาน ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าแม่หมายความว่าอย่างไรนี่คงคิดถึงโจเจี้นี้เยอะขึ้นมาละสิลีชิงผิงก้มหน้าลงพึรรมพำออกมาประโยคหนึ่งพ่อของแกไม่เคยยอมให้พวกเราติดตามกองทัพเลยทั้งที่ตามตําแหน่งทางทหารของเขาในตอนนี้เขาสามารถจัดหาที่พักให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันได้แล้วหากจัดให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันในเขตบ้านพักพนักงานปัญหาเรื่องการเข้าโรงเรียนของเสียหวานก็จะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย ทรัพยากรการศึกษาในชนบทย่อมสู้ในเมืองไม่ได้แน่นอนหลีชิงผิงเคยเอ่ยปากเรื่องการเรียนของเสี่ยหวานกับโจเจี้ยนเยี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ก็ถูกชายหนุ่มปฏิเสธด้วยเหตุผลสารพัดเสมอแน่นอนว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ไม่ได้พบหน้ากันบ่อยนักยิ่งถ้าพูดมากเข้าโจเจี้ยนเยี่ยก็จะรำคาญแม่จะในเมื่อเขาไม่ยอมให้พวกเรามาตอนนี้พวกเราก็มาเองแล้วไม่ใช่เหรอลีห่หวันตอบโยนเสียงเบาชีวิตของพวกเราต่อจากนี้จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องคอยดูสีหน้าใครทั้งนั้น หัวใจของหลี่ชิงผิงสั่นไหวเล็กน้อยคำพูดของลูกสาวนั้นถูกต้องต่อไปพวกนางจะไม่ถูกใครรังแกอีกหลี่ชิงผิงดึงลูกสาวเข้ามาสวมกอดไว้ในอ้อมแขนพางตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในใจว่านางจะต้องทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีให้ได้ส่วนโจวเจี้ยนเย่ยนั้นไม่อย่กขาดกันแล้วก็ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพวกนางอีกต่อไปเมืองเล็กๆทางตอนใต้ข่าวเรื่องการเสียสละ ของโจเจียนเย่ยถูกแพร่ออกไปแล้วสิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้คือรอให้ฝ่ายตรงข้ามคลายความระมัดระวังจากนั้นจึงค่อยลงมือสังหารในคราวเดียวแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเขายังต้องทําตัวให้เงียบเชียบที่สุดจดหมายแจ้งข่าวความปลอดภัยที่ส่งกลับไปยังบ้านเกิดก็นานพอสมควรแล้วโจเจียนเย่ยไม่คิดเลยว่าจะยังได้รับจดหมายตอบกลับมาอีกทว่าหลังจากอ่านจดหมายจบโจเจียนเย่ยก็ตบโตด้วยความโกรธแค้นหญิงสาวที่อยู่ด้านข้างดวงตามหม่นแสงลงเล็กน้อยนางรองเ อ, อ่ยถามเสียงเบาอย่า ง, ยางเชิงว่า เกิดอะไรขึ้นคะโจเจียนเย่ยไม่ตอบแต่หนังสือสัญญาอย่าทิวางอยู่บนโต๊ะนั้นหญิงสาวมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนประกายความดีใจพาดผ่านดวงตาของนางวูบหนึ่งก่อนจะถูกกดข่มไว้ได้ทันท่วงทีอย่าเหรอคะพี่สไพยจะขอหย่ากับคุณเหรอใช่โจเจียนเ ย, ย่ใบหน้ามืดครึ้มน้ำเสียงเจอแววเย้หยันฉันเพิ่งจะตายไปหลีชิงผิงก็ทนรอไม่ไหวรีบร้อนจะแยก บ, บ้านหาคนใหม่ถึงขั้นจะเอาเป็นเอาตายเพื่อขอหย่าให้ได้หลิวเคอเคอร์อทำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดไว้ คุณแม่ไม่ได้บอกพี่สะพายหรือเขาว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ไม่จําเป็นต้องบอกโจวเจี้ยนเย่กัหมัดแน่นรู้สึกเหมือนถูกสวมเขาโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงพันนี้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แม้เขาจะไม่ได้หวังให้หลีชิงพิงครองตัวเป็นไม่เพื่อเขาไปตลอดชีวิตแต่ก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวรวดเร็วขนาดนี้ไม่ใช่หรือเสียแรงที่เขายังคำนึงถึงความผูกพันของคู่ยากจนไม่ยอมฟังคําสั่งของแม่เรื่องการอย่าร้างตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นไอ้โง่ตัวจริงเสียจริง ลี่ชิงผิงอยู่ที่บ้านก็เป็นคนทําตัวไม่รักดีอยู่แล้วอย่าไปเสียก็ดีมุมปากของหลิวเคอเคอโค้งขึ้นเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็นก่อนจะรีบซ่อนมันไว้ที่สะพายคงต้องคิดถึงตัวเองกับลูกนะคะถ้าบอกนางว่าคุณยังไม่ตายนางอาจจะไม่อยากก็ได้แม่ของฉันบอกนางแล้วแต่ลี่ชิงผิงไม่เชื่อโจจี้นี่หลับตาลงพรางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก, ก่อนจะค่อยๆผ่อนออกมาเราให้ภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นฉันจะกลับไปที่เขตทหารในเมืองจริงก่อนแล้วฉันต้องกลับไปที่บ้านเกิดอีกรอบ อืมหลิวเคอเคอขานรับด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานกลับไปคุยกับพี่สะพ้ายดีๆนะคะไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วโจวเจียนเย่ยกมือขึ้นนวดหว่างคิ้วด้วยความเหนื่อยล้าถ้าหลี่ชิงผิงมีความเข้าใจโลกได้สักครึ่งหนึ่งของเธอก็คงจะดีบางทีสิ่งที่แม่เขาพูดอาจจะถูกผู้หญิงแบบนั้นเก็บไว้ในบ้านก็มีแต่จะเป็นตัวซวยในเมื่อนางอยากจะอยา ก, ก็ให้มันจบสิ้นกันไปเพียงเท่านี้เถอะโจวเจียนเย่ยไม่อยากเหนียวรั้งผู้หญิงที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่เขาไว้อีกต่อไป ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำภารกิจให้สำเร็จค่ะหลิวเคอเคอยื่นมือไปกลุมข้อมือเขาพลางออกแรงบีบเบาๆภารกิจครั้งนี้สำคัญต่อคุณมากนะคะครั้งนี้โจวเจียนเยียไม่ได้สะบัดมือหลิวเคอเคอออกเขาซึ่งซับกำลังใจใช่แล้วภารกิจครั้งนี้เขาต้องทำให้สำเร็จลุล่วงให้ได้เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับภารกิจครั้งนี้แล้วแผลที่ไหล่ของคุณยังไม่หายดีกับห้องไปนอนพักอีกสักหน่อยเถอะค่ะหลิวเคอเคอพูดอย่างจริง ฉันจะออกไปดูข้างนอกว่าพอจะมีอะไรมาตุนซุปบำรุงร่างกายให้คุณได้บ้างไม่ต้องไปหลอกฉันไม่เป็นไรโจเจียนเ ย, ยรู้ดีว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีทั้งเงินและสเสบียงหลี่วเคอเคอที่เป็นสหายหญิงคนหนึ่งจะไปหาทางอะไรได้นางในฐานะนักกล่าวภาษนาในครั้งนี้ต้องตรากตรำติดตามพวกเขาไปทั่วช่างลำบากจริงๆดูเหมือนว่าหลังจากนี้เขาจําเป็นต้องเร่งความคืบหน้าของภารกิจให้เร็วขึ้นเมืองจริงเปรือนพักรับรองเขตทหาร หนังสือแนะนำตัวของเจิ้งหยุนฉงถูกส่งมาให้หลี่ชิงผิงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พวกท่านวางแผนจะทำอะไรต่อไปผู้จบเขาก็หยุดชะงักไปครู่หนึ่งมีข่าวของโจวเจี้ยนเย่ยแล้วภารกิจของเขาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีอีกสองวันเขาก็จะกลับมาที่เขตท ห, หารแล้วข้าขอบคุณมากนะคะหลี่ชิงผิงเก็บหนังสือแนะนำตัวไว้อย่างระมัดระวังนา่งกับเซียวหวานยิงต้องพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวอีกสองสาวัน ฉันตั้งใจว่าจะเอาเงินไปซื้อหลานบ้านขนาดเล็กสักหลังค่ะหลานบ้านไม่ต้องใหญ่โตนะักขอแค่มีห้องสักสองห้องหรือห้องเดียวก็ได้ซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นบ้านหลังเล็กๆที่จะคอยบังแดดบังฝนให้ตัวนางกับลูกสาวในอนาคตได้สิเจิ้งหยินชงพยักหน้าเบาๆตอนนี้เล็งที่ไหนไว้หรือยังเงินพอไหมตอนนี้ยังไม่มีที่ถูกใจเลยค่ะลีชิงผิงสายหน้าสองสามวันนี้คอยให้นางกับลูกสาวออกไปเดินดูอีกรอบเงินเก็บในมือตอนนี้ย่อมเพียงพอแน่นอน แต่หลังจากซื้อบ้านเสร็จแล้วก็คงเหลือไม่มากนักลีชิงถิงคิดว่าจะหางานทําเพิ่มอีกน้อยก็เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของพวกนางแม่ลูกสุดท้ายคือเรื่องการเข้าโรงเรียนของลูกสาวทะเบียนบ้านของนางกับเสี่ยวหวานยังไม่ได้ย้ายออกมาจากตระกูลโจต้องซื้อบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยย้ายทะเบียนบ้านมาจากนั้นค่อยไปรายงานตัวที่โรงเรียนใกล้ๆ ล, ลูกสาวของนางต้องได้เรียนหนังสือเพราะการศึกษาคือทางออกเดียวเท่านั้น ตัวนางไม่มีความรู้แต่ลูกสาวของนางต้องมีความรู้เรื่องบ้านต้องค่อยๆดูไปครับเป็นเรื่องใหญ่ต้องซื้อให้ถูกใจจริงๆเ จ, จิ้นหุนฉงพูดเสียงเรียบจริงด้วยคุณแม่ของฉันบอกว่าเย็นวันนี้อยากจะเชิญพวกท่านแม่ลูกไปทานข้าวที่บ้านเพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้ครับ